ณนะบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่ง <c oughs> สมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรจิตใจจะได้เป็นเพชรแข็งแรงขึ้นมาการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งเคยและไม่เคยหัดนั่ง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 ฟังทมอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปมาในที่ต่างๆตานี่มีไห้สำหรับเดินทางดูอะไรต่อมิอะไรถ้าเราหลับตาหรือวันนั่งภาวนาแล้วนั่งฟังธรรมแล้วไม่เกี่ยวเกี่ยวกับโซตกับหูหูนี่รับเอาเสียงเข้าไปสู่จิต อันนี้ต้องเปิดรับไว้แต่ไม่ต้องทรงจิตใจมาฟังให้รวมจิตรวมใจเข้าไปให้สงบประงับตั้งมัน่นให้จิตใจดวงผู้รู้มาภาวนาอยู่พุทธโธนะว่าพุทธเจ้าให้รวมจิตใจให้มันแน่วแน่มัน่นคงอย่าได้วันไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทางนั้น อันข้อวัดปฏิบัติที่เอามาภาวนาพุทธโธก็ดีอันใดก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าหาก ว, ว่าเราไม่นึกไม่เจริญให้มากพอแล้วจิตใจก็ไม่สงบได้หมายถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมตั้งใจรวมจิตใจแล้ว ระวังไม่ให้จิตใจแสสายออกไปปลงแต่งเรื่องราวภายนอกให้ใจเรามาจดจ่ออยู่กับคำว่าพุทโธให้แน่วแน่อยู่ในใจนี้จริงๆนึกเจริญจนกระทั่งจิตใจปลงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรนั่น ไม่ให้มาดึงดูดเอาจิตใจของเราไปตามอารมณ์ต่างๆได้รวมจิตรวมใจลงไปในสิ่งที่เราบริกรรมภาวนานั่นแหละนอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอามาเป็นบริกรรมภาวนาก็คือว่าอาการสามสิบสองในร่างกายตัวตนคนเหล่านี้แหละ มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พงุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำหลวงทั้งหมดรวมแล้วมีสามสิบสองอย่างสิ่งเหล่านี้จะต้องเอามาภาวนาได้ทั้งนั้นคำว่าภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นให้จิตใจนั้นมัน รู้แจ้งรู้จริงตามสภาวะความเป็นจริงของร่างกายสังขาร น, นั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจสงบตั้งมัน่นจนมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้เหมือนกันหมดมันอยู่ที่ความตั้งใจของคนเราบางคนก็เลือกอุบายว่าอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดี ก็เลือกไปเธอแต่ว่าอะไรที่ดีก็ตามถ้าเราไม่เอามาภาวนาจริงๆแล้วสิ่งที่ว่าดีมันก็ดีไม่ได้ต้องเอามาพิจารณาจนให้รู้ให้เห็นร่างกายสังขารตัวของเรานี่แหละไม่ใช่เพียงแต่ว่าดูผิวเผินดูเข้าไปให้มันลึกให้มันซึ่งตามความเป็นจริง คือรูปประขันร่างกายของคนเราทุกคนถ้ารู้ถึงความตามความเป็นจริงแล้วจิตสงบได้จิตตั้งมั่นได้จิตใจคนเรามีปัญญาได้ที่มันพิจนารณาแล้วไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งคือว่ามันไม่ถึงไม่ถึงดวงจิตดวงใจที่ภาวนานั้นมันก็เลยไม่เข้าใจ อย่างหนึ่งก็คือว่ามันขาดสติความระลึกได้สตินั้นคือความระลึกได้อยู่เสมอก็จิตดวงผู้รู้นั่นเองตั้งขึ้นมาระลึกขึ้นมาว่าเวลาที่เรานั่งภาวนานี่จะมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นภายในก็าตามเราจะต้องละต้องตัดไม่ต้องเอา เราจะเอาบริกรรมทำใจของเราให้สงบรังนับนั้นห้มันแน่วแน่ลงไปในหัวใจจริงๆส่วนมากนั้นใจคนเราคือไม่รวมใจเข้ามาโซในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ไปคอยถ้าเวลาโน้นเวลานี้เมื่อใดน้อจิตใจข้าพเจ้าจะสงบรั ง, งับ อย่างนี้มันไม่ทันถ้าเอาปัจจุบันคือทรรมที่เป็นปัจจุบันทุกคณะแหละมันทัน่างนั้นเลยชีวิตของคนเรามีอยู่ก็มีในปัจจุบันไม่ได้มีอยู่ในอดีตไม่ได้มีอยู่ในอนาคต ใจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวในกายในจิตของเราทุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นจะไปหาภายนอกนั้นไม่ได้ไม่มีมันมีอยู่ภายในตัวคนเราทุกทุกคนจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาอยู่มันมีอยู่ในตัวในใจนี่ถ้าออกไปหาภายนอกหาเท่าไรเท่าไรก็ไม่พบไม่เห็น เพราะไม่ทวนกระแสเข้ามาภายในจิตใจนี่ถ้าทวนกระแสเข้ามาสู่จิตใจดวงที่รู้อยู่มีอยู่ในเวลาปัจจุบันขณะ น, นี้เวลานี้แหละมันรวมได้ทุกๆุคนให้เรามีสติระลึกอยู่ในใจของเราว่าเวลานี้เป็นเวลาตั้งใจเป็นเวลาทาจริงปฏิบัติจริง ไม่ใช่ทำใจเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ในจิตในใจในขณะที่เรานั่งภาวนาทุกครั้งทุกคราวมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็แก้ไขเอาให้มันผ่านพ้นไปได้ส่วนมากนั้นมานกิเลส ท, ท่านว่ามานกิเลสขันธามานคือว่ามันเอา เอาร่างกายมาเป็นเครื่องแก้ถ้าไม่สบายนิดหน่อยมันว่ามันเป็นขันธมานจิตกิเลสจิตสังขารจิตมานจิตกิเลสนั้นมันมาเอาอ้างอ้างว่าตัวเราไม่สบายนะภาวนาไม่ได้นั่งนานไม่ได้อ่ามันปรุงแต่งขึ้นมาเวลาที่เราจะเอาชนะมันได้นั้น เราไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังมารกิเลสไม่ต้องฟังขันธมารอันความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ชั่วระยะหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แตกก็ตายไปทุกคนจะมีคนเหลืออยู่ในโลกหรือ มันไม่ถึงอย่างนั้นแต่ว่าถ้ากิเลสมันหลอกลวงให้ลุ่มหลงหมัวมเมาแล้วเราไปเชื่อไปหลงมันเราไม่ได้ทางนั้นหละจุดที่เราจะต้องรวมลงไปก็คือว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมที่หายใจเข้าและออกนี่แหละมันบอกมันเตือนเราทุกคนอยู่ ถ้าเราลืมลมหายใจลืมบริกรรมภาวนาก็รีบลำลึกขึ้นมามันจะไปหยิบเอาคิดเอาภายนอกเข้ามาแทรกแสงเป็นอันว่าไม่มีที่สุดที่สิ้นมันเป็นเรื่องตัณหาในใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่มีที่จบจะจบยุติลงไปได้ก็ปัจจุบัน ใจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวเราทุกคนเราเอาใจิตใจดวงนี้แหละมานึกมาเจริญพุทธโธก็ทำใจให้สงบได้อุบายใดก็สงบระ ง, งับได้ทางนั้นละ่ะถ้าหากว่ามากำหนดพิจารณาดูให้ดีพระพุทธเจ้าของเราพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจ ลมเข้าลมออกท่านระวังไม่ให้จิตใจออกหนีไปที่อื่นท่านก็เอาจนอาจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นภาวนาได้เราทุกคนทุกดวงใจถ้าหากตั้งใจขึ้นมาแล้วเลึกขึ้นมาในใจนั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาในใจิตในใจจริงๆ กำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยิ่งในเวลาที่เราฟังนี้ก็เป็นอุบายเตือนใจของเราได้ด้านหนึ่งทีเดียวการได้ยินได้ฟังนั้นเพราะว่ามันเป็นการให้สติของผู้ภาวนาถ้าเราฟังด้วย กำหนดลมด้วยกำหนดใจดวงผู้รู้นั่นด้วยจิตใจเราจะได้สงบระงับลงไปได้เร็วเอาจริงๆและลึกจริงๆโดยเฉพาะคือในระยะการพันษาอย่างนี้เข้าพันษาเป็นเวลามีขอบเขต เทศกา์เข้าพรรษานี่พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลา ย, ายาศรัทธาญาติโยมในสมัยครั้งก่อนโน้นเมื่อถึงกลางพรรษาท่านตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาหรือข้อวัดปฏิบัติ <c oughs> อันใดย่อหย่อนก็จะได้ประกอบกระทำให้มันจเจริญขึ้น ไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาแล้วก็ทําใจอ่อนแอทอดแท้กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวไม่สบายนิดนิดน่อยก็ไปเชื่อมานขันธมานขันธามานนั้นมันปรุงแต่งได้ดีที่สุดเจ็บน้อยมันก็ว่าจะเจ็บมากขั้นเจ็บมากแล้วไม่ได้นะถ้าภาวนาเขาตายเลยนะมันไปโน้นอีก อย่าไปเชื่อไปหลงการปฏิบัติภาวนานี้มันไม่เป็นไปตามมารกิเลสเช่นนะั้นยิ่งเราตั้งใจหวพระสวดมนต์มีความตั้งใจให้มากเท่าไหร่ไอสิ่งที่ชั่วสิ่งที่มารกิเลสร่างกายไม่สบายมันหายได้เจ็บไข้ได้ป่วยเล็ ก, ล ก, ลกๆในน้อยนั้นถ้าเราไม่ไปยึดไปถือ มันหายเลยไม่เจ็บหายไปเลยก็มีคือมันเป็นที่กำลังใจกำลังใจถ้ามันตื่นตัวลุกขึ้นตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงๆความเน็ดเนื่อยเมื่อหิวที่เราเป็นอยู่หายไปความทุกข์เล็กๆน้อยๆก็หายไป คือตั้งใจบริกรรมภาวนาขึ้นมาในใจแล้วมันเกิดธรรมปีติความยินดีพอใจในข้อวัดปฏิบัติในการประกอบกระทํำของตนเมื่อจิตใจมันเชื่อเรื่อมใสต่อคุณประพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วความเน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมันก็หายไปใจคนเรานะมันเป็นเป็นชั้นๆส่วนส่วนอยู่ ถ้าฮะว่ามันตั้งใจได้จริงๆแล้วมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยหิวแต่ถ้ามันตั้งใจยังไม่ได้เพียงแต่วันนั่งสมาธิก็ท้อใจแล้วเพราะมันยังมองไม่เห็นผลเมื่อมองไม่เห็นผลเราก็เชื่อไปก่อนทาจริงๆปฏิบัติจริงๆมันถึงได้เป็นไปได้ ทำให้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าคงไม่ตัดไม่เทศนาไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่คนเราผ่านอยู่หลงอยู่นี่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านผ่านทางนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าของเรานานเป็นผู้มีจิตใจอันศียสละท่านยอมตาย ในที่นั่งภาวนาเมื่อท่านตั้งสัต์อธิฐานลงไปจริงๆแล้วมารกิเลสต่างๆที่มันวิ่งลอบจิตใจนะั้นมันไม่มีท่าสู้ไม่มีท่าสู้มันก็หนีลหละไม่มาลบกวนแตเนี้คนเรานั้นคือว่ามารกิเลสเหล่านี้มันลบกวนอยู่เสมอกวนใจอยู่เสมอ จะนั่งภาวนาเวลานั้นก็ว่ายังเท้าบางสายบางคำบางเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างนั้นอย่างนี้มันข้อแก้ตัวมากมายตัวพยามาณอะไรนะตัวมารลายเขาพระพุทธเจ้าเมื่อท่านศึกษาท่านรู้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของมารท่านไม่หวั่นไหวจิตใจของท่านตั้งมั่นลงไปในหัวใจจริงๆ มันจะตายเพราะการปฏิบัติบูชาภาวานาก็ให้มันตายไปตายอยู่ด้วยการทำคุณงามความดีเอาเข้าจริงๆน่มันยังไม่ตายดอกรูปร่างกายกิเลสมันตายไปเสียก่อนดูสี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทำความเพียรภาวานาเมื่อพระองค์ไม่ท้อถอย ไม่ย่อท้อมันจะตายก็ยอมตายในที่นั่งนี่แหละท่านว่าอย่างไรจะไม่ไปตายในที่อื่นคืออุบายมันทันกันเพราะมันทันเท่านั้นแหละมันก็มันก็สู้กันได้ทีนี้เมื่อเราไม่ตั้งใจจริงลงไปแหละเพราะมันหลอกลวงโกหกพกปลอมอย่างไรเราก็ไปเชื่อไปเชื่อ จิตใจที่เป็นกิเลสมารนั้นนะมันเอาสิ่งที่ที่คนเรากลัวนั่นแหละมามายุแย่ให้ใจของคนเราที่มีใจอ่อนมันอ่อนไหวไปตามเราจะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ไปละเลิกถึงคนธรรมดาสามัญคนไม่ตั้งใจนั้นไม่ได้มีแต่จิตใจมันจะท้อแท้อ่อนแอกลัวไปหมดดูพระพุธทธเจ้าท่านไม่กลัวท่านนั่งภาวนาในคืนที่วันได้ตรัสรูน้นั่งตลอดเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอะไรท่านไม่เกี่ยว เหนื่อยก็เหนื่อยไปหิวก็หิวไปเป็นเรื่องของลูกประขันจิตของท่านไม่ไม่ย่อท้อตั้งใจมั่นลงไปเมื่อตั้งใจมั่นลงไปแล้วอารมณ์ที่มาหลอกลวงมันก็หายแล้วจิตใจของพระองค์ท่านก็กล้าขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมา ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกท่านไม่วันไหวใจก็นับแต่วันเวลาแข็งแกร่งขึ้นมาจนถึงขั้นรู้แจง้งรู้จริงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพระองค์กําหนดอนาปาลมหายใจมาดจิตใจให้หยุดให้อยู่ไม่ต้องไปในที่ต่งตางๆเมื่อจิตใจมาสงบประงับตั้งมั่นได้แล้วก็เรียกว่า มันเกิดพลังงานความสามารถอาหารขึ้นมาในจิตใจของกระองค์นั่นจิตใจนั่นมันก็สามารถไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้ไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายตั้งใจลงไปเต็มที่เมื่อจิตใจท่านเต็มที่เต็มฐานความอ่อนแอท้อแท้มันก็หมดไป มีแต่ความแก้วกล้าสามารถอาหฐานจิตใจมันไม่กลัวนะ่ะเดี๋ยวนี้คนเรามันกลัวกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปกลัวพุทธโธอยู่ในดวงใจพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้านี่ถ้าเรากำหนดจริงๆแล้ะมันรวมจิตใจได้ทุกๆคน ก็ดูพระพุทธเจา้าท่านบำเพ็ญมาท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามานั่นท่านไม่ใช่ว่าทําเล็กๆน้อยๆแล้วก็คอยเอาผลมันอย่างนี้ไม่ไม่ได้ท่านทํามาเป็นอสงไข่อสงไข่คิดดูทิไม่ว่าจะเกิดมาพบใดาชาติใดท่านกบตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญทานรักษาศีลห้าชิ้นแปดไหว้พระสวดมนต์ ประเพิดปฏิบัติเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายทุกชาติมาอย่างนั้นตลอดสีอสงไขยแสนมาหากับเรียก ว, ว่าเป็นเวลายาวนานแม้จะยาวนานขนาดไหนก็าตามแต่ว่าเมื่อใจท่านได้ตั้งมั่นลงไปแล้วท่านก็เอาจริงมาตลอดเวลาไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสทั้งหลาย ทุกวันทุกคืนทุกพบทุกชาติเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็ตั้งอยู่ในฐานในสินในภาวนาไม่ยอ่อท่อไม่ท่อถอยแล้วว่ายอมตายในการทำบุญสุนทานยอมตายในการรักษาสินห้าสินแปยอมตายในการไหว้พระสวดมนต์ยอมตายในที่นั่งกรรมฐานภาวนา คือว่าเมื่อใจของพระองค์ไม่ท้อถอยแล้วจิตตั้งมั่นลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของจิตใจนั้นทางนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันเมื่อเราได้ตั้งใจเชื่อเลื่อมใสว่าคุณพระพุทธเจ้ามีจริงคุณพระธรรมมีจริงคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายมีจริง ผู้ปฏิบัติทำตามปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วย่อมได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานจริงเมื่อจิตมันเข้าใจจริงอย่างนั้นแล้วการประพฤติปฏิบัติการภาวนามันไม่ทอแท้อ่อนแอหละมันมันลุกขึ้นใจนะ่ะมันลุกขึ้นไม่ใช่ว่ากายมันลุกขึ้นจิตนะ่ะมันลุกขึ้นมามันตั้งขึ้นมาแจ้งใสขึ้นมา มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมีธรรมปีติเกิดขึ้นในจิตในใจมีสมาธิจิตตั้งมั่นในหัวใจได้แล้วทีนี้ก็ทำอะไรก็ทำได้เพราะว่าจิตมันมีกำลังคนเราที่ทำอะไรไม่ไหวเนะี่ยคือว่าจิตมันอ่อนจิตมันอ่อนแอทอดแท้จิตไม่นึกไม่เจริญไม่ภาวนาจิตไม่หยุดไม่อยู่ เมื่อจิตไม่หยุดไม่อยู่แล้วมันก็เป็นจิตที่หวั่นไหวได้ง่ายๆพอมารกิเลสมันโจมตีเข้ามาก็ล่มละลายไปเลยมารกิเลสก็คือว่ากิเลสความโกรธนั่นแหละกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงมันคอยมาทำลายล้างจิตใจของผู้ภาวนาให้ท้อแท้อ่อนแอกลัวตาย เลยทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมอย่างนั้นอะไรที่ทำไม่ได้ท่านต้องภาวนาเอาให้ได้ตั้งใจขึ้นมาเมื่อใจของท่านไม่ท้อถอยมีความ่าเพียรพยายามเอาใจใส่อยู่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ตาม พุทโธพระพุทธิจาธรรมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงสาวกเราต้องลำลึกอยู่เสมอน้อมเข้ามาไว้ในจิตในใจของเราให้ได้ทุกเวลาจนกระทั่งคำว่าพุทโธหรือบริกรรมต่างๆนั้นเป็นเกาะเป็นที่กำบัง เป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่างแต่ต้องอาศัยจิตใจนี่แหละตั้งใจกาหนดภาวนาอยู่ในอกในใจไม่ให้ความท้อแท้อ่อนแอความหลงลืมมาอยู่ในใจดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ที่นี้ก็รวมจิตใจลงไปในที่นี้เวลานี้ ไม่ต้องไปตามหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้วแต่ว่ามันเป็นจิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่หยุดไม่อยู่คือจิตไม่ภาวนาจิตขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาจึงไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติจิตใจมันก็เผลอเลอลุ่มหลงนั่งดีๆก็ไปหลับเสียจิตมันไม่ลุกขึ้นไม่ตื่นขึ้น ไม่มีรรมปีติความปีติยินดีในการประพฤติปฏิบัติมันลดน้อยถอยลงไปต้องสร้างความเชื่อความเลื่อมใสในใจของเราให้มากที่สุดที่จะมากได้ว่าทางที่เราภาวนาตั้งใจอยู่นี้เป็นทางดีทางถูกทางที่จะได้เป็นไปเพื่อความบรรลุมรรคผล เป็นทางที่จะถึงซึ่งนิพพานไม่ใช่ทางเล็กน้อยเมื่อเราเชื่อแน่อย่างนั้นและความตั้งใจในเวลาเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้มันหนักแน่นลงไปในหัวใจถ้าหากว่ามีความไม่สบายกาย น, นิดนิดน้อยถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนั้นหายได้ <c oughs> แล้วพ ร, ระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าพุทธโอสถโอสถคือพระพุทธเจ้าเป็นยาเป็นยาโอสถธรรมโอสถพระธรรมเป็นยาสังฆาโอสถพระสงฆ์เป็นยาก็คือมันเป็นที่จิตใจตั้งใจกำหนดภาวนาจริงๆในหัวใจ แล้วจิตใจอนั้นมันก็มีกำลังมีความสามารถมีความอาจนานขึ้นมาเมื่อจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั้นมีกำลังมีความสามารถอาจฐานขึ้นมาในหัวใจแล้วมันไม่ทอแท้อ่อนแอในจิตใจแะมันลุกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้ รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจได้ทุกเวลาเอาจนนั่งอยู่ยืนอยู่เดินไปมาที่ไหนไปรถไปเรือก็ไม่ไปสนใจอย่างอื่นเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่ในพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าตั้งใจลงไปในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆ จนพุท ธ, ธะพุโทโธอันนี้ลองพื้นใจอยู่ตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเนึกได้เจริญได้โยทุกลมหายใจเข้าออกจิตมันก็ตั้งมั่นลงไปละเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปได้ปัญญามันก็มีอยู่ในนั้นวิชาความรู้ก็มีอยู่ในตัวในใจนั่นแหละ แต่ว่าต้องอาศัยเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องรวมจิตใจเข้าไปภายในกงนี้ให้ได้เสียก่อนเมื่อรวมจิตใจเข้าไปตั้งในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ได้แล้วสิ่งอื่นมันก็ไม่ยากมันยากตรงที่ว่าตั้งใจของตัวเองให้สงบตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ มันโลเลลังเลสงสัยไปหมดทุกอย่างทุกเระ่องกากิเลสมารขันธามันก็โกโหกพกกลมตลอดเวลาทีนี้เราก็สู้มันไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้มันก็ลม่มลุกครุกคานไปเรื่อยใจไม่เข้มแข็งพอต้องตั้งใจลงไปว่าให้มันแข็งแก่งแข็งแรงแ อะไรอะไรกระทบมาใจเราจะไม่หวั่นไหวเราจะต้องบำเพ็ญภาวนาบริกรรมภาวนาในใจนี้ให้ได้ทุกขณะทุกเวลามันเกิดทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้กลวยไม่สบายก็อยากเข้าใจว่าเราไม่สบายธาตุดินมันไม่สบายสั่งมันเถิดธาตุดินธาตุน้ําเขาไม่สบาย ธาตุไฟธาตุลมเขาไม่สบายธาตุสีขันห้าอาญาตนะทั้งหลายเขาไม่สบายต่างหากจิตใจของเราภาวนาเอาให้มันสบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถรวมกําลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจของเรานี้ให้ได้ เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีมาภาวนาให้เราการปฏิบัติภาวนานี้มาภาวนาให้เราการปฏิบัติภาวนานี้มันเป็นเรื่องจิตใจของเราเองตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบ มองเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายการที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอยู่ในโลกอันนี้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ใช่ความสุขแต่เมื่อจิตไปหลงเข้าแล้วมันก็เข้าใจว่าเป็นความสุข มันเป็นความสุขก็จริงแต่ว่าความสุขที่จิตใจมนุษย์คนเราเห็นว่าเป็นความสุขนั้นมันเป็นอามิตรอามิตรสุขคือว่าสุขกันเจือปนด้วยอามิตรไม่ใช่นิรามิตรสุขนิรามิตรสุขคือสุขที่ไม่เจือปนด้วยกิเลสเป็นความสุขจริงๆ อันความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสพอธะพระธรรมลมนี้มันเป็นอามิตรเป็นเครื่องล่อใจของผู้ไม่ตั้งใจให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ถ้าเราตั้งใจให้ดีแน่วแน่มั่นคงลงไปในหัวใจก็จะเห็นว่าทั้งโลกนี่แหละที่คนเราสมมุติว่าเป็นสุขความจริงมันไม่มีสุขมันมีแต่ทุก ดูแต่เราอยู่ทุกวันนี้นั่งมากก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์พรนั่งยืนมากก็เป็นทุกข์ทุกข์พรายืนเดินไปมาเป็นทุกข์คือว่ามันทุกข์เพราะเดินอะไรทุกๆอย่างนั้นคือว่ามันพลอยให้เป็นทุกข์ไปหมดเพราะจิตมันยึดมันถือจิตไม่ปล่อยไม่วาง เมื่อจิตไม่ปล่อยวางจิตยึดถือมากเท่าไรก็ทุกมากเท่านั้นถ้าไม่ยึดถือแล้วท่นานว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี้ธรรมโมพระธรรมอยู่ที่ใจนี้สังโฆพระอริยสงสาวกอยู่ที่จิตที่ใจนี้เมื่ออยู่ที่นี่เราจะไปหาที่อื่นทําไมก็รวบรวมกําลังใจของเราให้เข้ามาตั้งภายใน จนมาสังบประ ง, งับตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในใจของเราทุกคนไม่ให้มันลหลงไหลไปในที่ต่างๆรวมกําลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้ให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้ตื่นขึ้นลุกขึ้น มองเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัะสงสารอยู่ตลอดเวลาว่าการที่เราเกิดมานี้แล้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกชะลาความแก่เป็นทุกพยาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกขมรณะนะความตายเป็นทุกขเกิดมาสําหรับทุกขสําหรับเกิดสําหรับตายอย่างนี้แหละถ้าจิตไม่กําหนดพิจารณาก็ยิ่งหลงไปใหญ่ แนั้นยาให้มันหลงไหลออกไปให้มันทบทวนกระแสจิตกระแสใจเข้ามาโยในใจคำว่าจิตคำว่าใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนคนเหมือนสัตว์ไม่มีรูปร่างกายนี่เป็นรูปขนแต่ว่าในจิตใจนะั้นมันเป็นไปตามบุญบาปที่ตัวกระทำไว้บางคนกายวาจาเป็นคนใจมันเป็นบาป คอยจะทำร้ายผู้อื่นคอยจะเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เสมอนั่นคือว่าใจมันใจยังไม่เข้าถึงพระใจยังไม่มีพระอยู่ในใจเราต้องตั้งใจบำเพ็ญภาวนาตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปต้องมีความเพียรความมัน่นความขยันในจิตใจของตนอยู่ทุกเวลา เราเรียตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปไม่ปล่อยปละละเลยให้จิตใจมัวเมาลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าใครลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะจงคอยระวังเวลามันกลับให้ผลเป็นทุกข์ หาที่อยู่ไม่ได้หาที่ภาวนาไม่ได้ละนั่นแหละคือว่าเมื่อมันกลับเข้าไปสู่จิตใจแล้วก็ทำใจของคนเราให้รอนถ้ามากำหนดพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสังขารของคนเหล่านี้นับตั้งแต่เกิดมาแล้ว มันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยและมันมีความใกล้ต่อมรณนะภัยคือความตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่จะว่างเว้นนายลูกทรรมนามทรรมตัวตนคนเหล่านี้จงเอามาภาวนาเพียนเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญา เพื่อจะได้ถอนลากแก้วอวิชชาตันหาในจิตใจนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปการปฏิบัติภาวานานั้นจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสูงส่งในทางพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆแล้วพอเวลานั่งภาว น, นาเข้าสักประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละ มันก็ทรงนิวรมาให้ได้แก่ความง่วงเหงาเหานอนต้องทำลายให้หมดมา่าอย่าไปเอาไฟเจ็ดใจดวงเดียวเท่านั้นนั่งก็อยู่ที่ใจนอนก็อยู่ที่ใจยืนเดินไปมาที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจของเรานั่นแหละ ในใจของเราก็ให้มีสติอยู่ทุกเวลาให้มีใจเป็นสมาธิอยู่ได้ทุกเวลาเริ่มไม่ได้หลงไม่ได้ต้องไม่ให้หลงไม่มีอะไรก็พุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเอาจิตใจนั้นให้มันเข้าถึงพุทธโธจริงๆ เมื่อจิตเข้าถึงพุโทโธจริงๆนั่งที่ไหนก็สบายใจยืนที่ไหนก็สบายใจเดินไปมาที่ไหนก็ใจสบายเลื่อยไปเพราะว่าใจนั่นได้ตั้งใจปฏิบัติอยู่ละกิเลสในใจของตนอยู่ทุกเวลาแม้มันยังจะเลิกละไม่หมดไม่สิ้นไปก็ตาม <c oughs> เมื่อความตั้งใจมั่นในใจของเรามีแล้ว มันทำได้ปฏิบัติได้ไม่ยอมเผลอมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ให้เตือนใจของเราเองว่าอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่ชลาขําค่าเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละ เมื่อเรายกจิตใจของเราขึ้นมาภายในจนจิตใจดวงนี้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในดวงจิต ด, ดวงใจ จ, จริงๆแล้วนั่งอยู่ก็ภาวนานอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนายืนอยู่ก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อตั้งความเทียนความหมันความขยันขึ้นมาในจิตใจของตนไดแ้แล้วก็ชื่อว่าไม่มีทางผิด นี่แต่ทางที่จะดำเนินเดินไปโซความดับกิเลสราคะโทสะโมหะท้งนั้นแต่ต้องอาศัยจิตใจนั้นมั่นคงลงไปให้เพียงพอใครจะมาโกหกพกลมหลอกลวงอย่างใดเราอย่าไปเชื่อไปหลงเขาจะมาโกหกว่านั่งภาวนาคนเดียวเป็นบ้าเป็นบออย่างไรก็ตาม <c oughs> การทำความดีมันไม่เป็นบ้าเป็นบออย่างไรคนทำความชั่วเสียหายต่างหากเล่าที่มันเป็นบ้าเป็นบอฟุ้งซ่านลำขาดเรานั่งปฏิบัติทำกรรมฐานพุทโธในใจเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเป็นก็จะได้รู้ในใจในจิตใจของตัวเอง ลูกแล้วก็จะได้ทาความเพียรละกิเลสในใจนี่ให้มันเบาบางหมดสิ้นไปก็เป็นอันว่าทาได้ปฏิบัติได้อยู่ในตัวในใจนี่หละต้องอาศัยจิตใจนี่ยกให้สูงขึ้นอย่าไปกลัวว่าอย่าไปกลัวว่ามันจะตายมันไม่ตายจิตของเรามันไม่ตายร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของโลกประขัน อย่าไปยึดเป็นตัวเราของเราเป็นตัวของโลกเป็นของสัตว์โลกทั้งหลายมาอาศัยโยในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มายึดมาถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราใครจะมายึดเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ยอมหยุดแก่ไม่ยอมหยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อถึงเวลาตายก็ต้องตายเหมือนธรรมดาโลก เราจะให้เหลือว่าเราต้องเหลือคนอื่นให้ตายไม่ได้ความตายนั้นมันไม่มากมายอะไรเมื่อเราตั้งใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ประมาทมันจะแตกจะตายอย่างไรช่างมันขอให้ใจของเราตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดได้จิตใจในตัวในใจของเหล่านี้แหละ เป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการลูก ป, ประขันแต่พระองค์ต้องการนา ม, มาขันคือจิตใจนี่แหละเมื่อเรามองเห็นว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญกว่าลูก ป, ประขันร่างกายจึงมีวิธีให้นั่งสมาธิภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ ก็เพื่อจะได้มารู้ว่าจิตใจนั้นมันเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วดีดวงจิตดวงใจทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนามีแต่จะขอร้องขอเอาแบ้มือเอาอย่างนี้ไม่ได้การปฏิบัตินั้นเป็นการลงมือปฏิบัติ ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆ จ, จนไม่พลัง้งไม่เผลอไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปโยใต้อั น, นาจกิเละนั่งที่ไหนก็จิตใจสงบังับเยน็นสบายภาวนาได้ <c oughs> เมื่อจิตใจภาวนาได้โยเสมอความท้อแท้อ่อนแอความหลงลืมก็หายไป จิตใจก็จะผ่องใสสะอาดมองเห็นภายนอกภายในจิตใจจะไม่ท้อถอยรวมกําลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้ผลที่สุดมันไม่เหลือความเพียรของผู้มีความเพียรไปได้แต่ว่าเราต้องประกอบกรรทํารมให้เกิดให้มีขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นเองเป็นไปเองไม่ใช่อย่างนั้น การปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนาเป็นข้อวัดปฏิบัติจำเพาะบุคคลบุคคลใดก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วต้องภาวนาทําความเพียรละกิเลสกิเลสมันจึงจะหมดไปสิ้นไปถ้าไม่มาทําความเพียรภาวนาในจิตในใจแล้วมันก็มีแต่เครื่องข้องเครื่องคาเครื่องยึดเครื่องถือ ผลที่สุดก็วนอยู่เหมือนน้ําที่มันวนอยู่ในที่อันเก่าไม่ไหลออกไปไม่ไหลซื่อออกไปมันวนอยู่ในโลกเหล่านี้ก็เมื่อย่อนยอ่อเข้ามามันก็ไม่มีอะไรตามีไว้สําหรับดูลูกหูมีไว้สําหรับฟังเสียงจมูกมีไว้ดมกลิ่นลิ้นมีไว้ริมลดกายมีไว้สําหรับ เย็นล่อนอ่อนแข็งรู้สึกตามนั้นเมื่อมันมีอยู่อย่างนี้จิตของเราผู้อยู่ภายในนี้แท้แท้จริงๆให้ตั้งจิตขึ้นมาตั้งใจขึ้นมานั่งภาวนาเดินจมกลมสร้างพลังงานในจิตใจให้มันสามารถอาจฐานขึ้นมาในตัวในใจจริงๆเมื่อใจไม่ท้อถอย ใจมีภาวนาได้ทุกเวลาเรียว่าพุทธพุทโธจิตอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าภายในเมื่อจิตใจของเรามั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่อื่นก็อยู่ในตัวในจิตในใจของเราทุกคน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 สุขีธีขายุโกภะาวะพิวาธานาสีรุกันิจังวุธาปจายิโนจตารโธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลังชีวิตจบลงไปได้แล้วเมื่อชีวิตลมหายใจมีอยู่ให้เราลำลึกอยู่เสมอว่า อายุของคนเหล่านั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เรานับกันอ่านกันอายุจริงๆชีวิตจริงๆก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองถ้าหากว่าลมหายใจของคนเรานี่แหละสูดเข้าไปแล้วติดขัดออกมาไม่ได้นั่นก็แสดงความตายปรากฏการขึ้นมาแก่บุคคลผูนั้นแล้วหรือว่าหายใจออกไปแล้ว ัสูตรลมหายใจเข้ามาไม่ได้บุคคลนั้นก็ตายมรณะเมพาวิสติมรณะมรณะความตายความตายนี้ให้นึกอยู่เสมอในตัวในใจของเราอยู่ทุกเวลาแม้มันจะยังไม่ตายยังไม่แก่ก็ตามแต่ถึงเวลามันตัดจะตายเข้ามาแล้วนั้นมันไม่เลือกว่าเด็กนมแก่ ตายได้ทุกคนตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อผู้มาลู่เข้าใจทราบซึ่งตรึงใจในความตายของชีวิตสัตว์ทั้งหลายแจมแจ้งภายในแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่ประมาทเพือว่ารีบเร่งตั้งใจทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้น เพราะว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตของเรานั้นเป็นของน้อยไม่มากมายเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกทท่งนี้เมือ่อผู้มาเข้าใจอย่างนี้จิตใจของคูณอันย่อมมีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธจเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เมื่อจิตใจของพุทธบริษัทมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณปสิรัตนาตรายอยู่ตลอดเวลาแล้ว ความสุข ก, กายสาบายใจอันใดที่มีอยู่ก็จะมีความสุข ก, กายสาบายใจยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจิตใจมั่นคงในทางพุทธศาสนาจิตใจพุทธสาวกในครั้งพุทธการโน้นพระพุทธรธรรมประสงค์นี้ท่านลำลึกไว้ในหัวใจตลอดเวลา จะลืมอะไรก็ลืมได้แต่ว่าลืมคุณพระพุทธเจ้าลืมคุณพระธรรมลืมคุณพระสงฆ์นั้นท่านไม่มีสามกในขั้งพุทธการขั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมประสงค์องค์ระเจ้ายอมเอาคุณพระพุทธเจ้านี่แหละพระธรรมประสงค์นี่แหล ะ, ป ะ, ป ะ, หละเป็นที่ล้ำลึกอยู่ ว่าพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบา ร, รมีมาเต็มบริบูรณ์จึงได้มากราบสลู้เป็นศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมมีในทัศนศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้เราก็ต้องกราบไหว้บูชาเพราะพระธรรมนี้ท่านเปรียบุปมาเหมือนแสงสว่างในที่มืดถ้าเรามีแสงสว่างมี ไฟฉายมีโคมไฟมีจุดไฟใต้ไปมาก็ย่อมเห็นหนทางไม่ตำหลับ ต, ตําตอไม่เหยียบฝาบน้ำสแสดงถึงว่าเมื่อมีความแจ้งสว่างก็ย่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระธรรมนั้นเปรียบเหมือนประทีปสวาราจุดขึ้นมาแล้วก็ยังแสงสว่างคนมีตาดีไม่ใช่คนตาบอดก็ย่อมมองเห็นหนทางได้พระสง์ พระอริยสงสาวกนั้นนอกจากเรากราบไหว้พระอริยสงสาวกตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอารหาันตาเป็นที่สุดเมื่อเรากราบไหว้บูชาพระอริยสง์แล้วก็ทําตัวกายวาจาจิตของเราให้เป็นพระอริยสงด้วยคือละกิเลส ความปกรดความโลภความหลงในตัวในใจของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับลําดับจนถึงขั้นกิเลสในใจของเราความโกรธหมดไปได้ความโลภหมดไปได้ความหลงหมดไปได้นั่นแลพุทธศาสนาศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านยอมชี้แจงแสดงให้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ได้สร้างได้ทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวในกายในจิตไม่ใช่ว่าคนอื่นทำแล้วก็แล้วไปเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้เพราะว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบอุปมาเหมือนคนเราที่มีชีวิต เป็นมาได้ก็ได้อาศัยบริโภคอาหารด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นกินแทนแล้วเรามีชีวิตอย่างนั้นไม่ได้การปฏิบัติธรรมการภาวนาพุทธโธพุทธโธในใจนี้เราต้องตั้งอกตั้งใจเราพึ่งปฏิบัติประกอบกระทมให้เกิดมีในใจของเรา เมื่อเราทำใจของเราให้เกิดศรัทธาราษาทาความเชื่อความเลื่อมใสอันเที่ยงแท้แน่นอนในใจแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลอื่นผู้อื่นที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนารำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เสมอได้ในนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้ ไม่มีใครที่จะทําแทนกันได้ต้องเป็นหน้าที่ของตัวเองทุกคนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งไม่ค่อยได้เราต้องพึ่งตัวเองด้วยการปฏิบัติบูบชาภาวนาในหลักของทานในหลักของศีลในหลักของสมาธิภาวนา เราจะต้องประกอบกระมานพร้อมอยู่ในกายวาจาจิตของเรามีสติเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาแล้วในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเกิดมาเฉยๆเราจะต้องทำบุญให้ทานเราจะต้องรักษาสิ้นหน้าชิ้นปดิ้นสิบสองรอยยี 27, ส่สิบเจดตามสติกำลังของเราที่จะประพฤติปฏิบัติได้ แล้วก็ทำสมาธิภาวนาเราอยู่ที่ไหนกายวาจาจิตอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ภาวนาเราะระลึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ชื่อว่า ร, รมสมาธิภาวนาเรานึกถึงว่าเราแก่ชราไปทุกวันเวลาก็ชื่อว่าภาวนา เราเริ่มมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานี้จากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เรานึกอย่างนี้ในใจของเราก็ชื่อว่าภาวนาเรามีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อเราเกิดมาก็ไม่มีสมบัติพักสถานอันใดมีหนังหุ้มกระดูกนี้เกิดมาสมบัติพัสถานทั้งหลายเป็นของแสวงหาเอาใหม่เวลาถึงข่าวตายเราจะเอาสิ่งใดไปไม่ได้ทางนั้น แม่สาลีะละร่างกายหนังหุ้มกระดูกตายที่ไหนก็ทิ้งไว้ที่นั้นมีแต่จะเป่อยเน่าพุพังไปเท่านั้นเองเมื่อเราตายเอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้จึงรีบทำรีบปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติบูชาภาวนาละก่เลสความโกรธที่มันมีอยู่เล้วให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไป ละความโลภคือความอยากได้ในใจไม่ทําไม่ประกอบแต่มีแต่ความอยากได้อันนี้ก็ให้ละทิ้งกิจกรรมการงานใดๆในโลกนี้จะต้องประกอบด้วยการกระทาจึงจะบังเกิดมาเกิดผลเกิดโลกียะสมบัติโลกุตระสมบัติได้ไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นไม่ได้ ทำอะไรต้องตั้งใจทำภาวนาบทใดข้อใดตั้งใจนึกบริกรรมรวมจิตจวงใจเข้ามาอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวในกายที่เมหนังหุ้มอยู่นี่เป็นที่สุดรอบนี่แหละคือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกคือกายวาจาจิตของเราทุกคนกายวาจาจิตนี่เหมือนกับว่าพระสูตรพะตระวินัยพระปรมัดพระสูตรก็คือว่า ร่างกายของเราทุกส่วนเป็นพระสูตรพร ะ, พระวีนันเมื่อกายของเรารักษาสินห้าสินแปดอยู่ก็คือว่าเป็นพระธรรมพระวีในพระประมาจิตที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจ มีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาอยู่ทุกขณะทุกเวลาแล้วเมื่อของเรามีศีลสมาธิปัญญาปกปักรักษากายวาจาจิตของเราอยู่ใจก็ย่อมมีความอุ่นใจไม่ว่าเววิตกวิจารณ์ด้วยอํานาจที่เราดาลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงสารวจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์ เมื่อใจเราสงบหลั่งับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาแล้วท่านว่าเป็นความสุขภายในความสุขภายในนั่นดีวิเศษกว่าความสุขภายนอกความสุขภายนอกที่เราว่าได้กินดีอยู่ดีเป็นความสุขมันก็สุขนิดๆหน่นนนอยๆไม่เป็นนิรามิตรสุขนิรามิตรสุขคือสุขเกิดขึ้นจาก การปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไม่ยอมให้กิเลสความโกรธเข้ามาทับถมใจไม่ยอมให้กิเลสความโลภเข้ามาทับถมใจมีสติอยู่ในหัวงจะหัวใจนั่งอยู่ก็มีสติระลึกยยืนอยู่เดินไปมาที่ไหนก็มีสติไม่โลเลในเมื่อเวลาตาเห็นลูกไม่โลเลในเมื่อเวลาหูฟังเสียง มีสติลำลึกอยู่เสมอว่าคนสัตว์วัตถุธาทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความจำรุดชุดโทมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเสมอเกิดเป็นเรื่องต้นชรลาพยาธิอยู่ในท่ำกลางมาราณะคือความตายย่อมมาถึงตัวคนเราทุกคนอย่าเข้าใจผิดคิดว่าแม้เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่แข็งแรงคงไม่เป็นอะไรง่าย อันความตายนั้นไม่ได้เลือกว่าเด็กหนุ่มแก่ถึงเวลาได้เวลาแล้วก็ตายได้เหมือนเหมือนกันความตายนี่เราจะเลือกว่าขอให้ตายในที่หลับที่นอนก็ไม่ได้เวลามันจะตายเข้ามาบางคนก็เกิดอุปัวิเหตุตายบนถนนขนทางซึ่งเป็นหน้าอาาันาคนไม่ต้องการมันก็ตายได้ ตายด้วยอาวุธยุทธพัณฑ์หรือของแหลมของอะไรมาต่ำเข้าไปร่างกายนี้ก็จบลงไปได้คือความตายนั่นเองเมื่อผู้มามองเห็นภัยอันตรายรอบด้านว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นของยากลำบากลำคาญที่สุดถ้าเราไม่รีบเร่งสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราจะเียทีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาและกิเลสเต็มที่เราก็จะเสียแรงที่เราได้เกิดมาเป็นคนแล้วการภาวนาพุทธโธในใจก็ตามการนึกภาวนาว่าเราจะต้องตายภายในล้อยปีนี้ไม่มีบุคคลใดจะเหลืออยู่ที่เราเห็นคนที่ยังมีชีวิตยืนเดินนั่งนอนทำมาหาเลี้ยงชี ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่ก็คือมันยังอยู่ภายในลอยจีถ้าหาว่าเลยลอยจีไปแล้วคนที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่นี่มันตายทับผมแผ่นดินลงไปหมดแล้วแต่มนุษย์ชุดใหม่มันก็เกิดขึ้นมาอีกก็ด้วยอำ น, นาจกิเลสราคะตัณหาของมนุษย์หญิงชายมันโยไม่ได้มันก็เกิดมาอย่างนี้แหละ เมื่อเราได้เกิดมาแล้วพ้นมาแล้วในภพอันธุระกันดานนั้นก็อย่ามาประมาทอีกคือถ้าเราประมาทเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็ตกไปสู่กระแสที่ต่ำถ้าใจเราไม่ประมาทพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโธกาเรียสงสาวก เป็นที่พึ่งของเราเมื่อใจเรามีสรณะที่พึ่งภายในจิตใจอย่างนี้แล้วทุกคนย่อมมีความอุ่นใจคือมีจิตใจอันอุ่นคือว่าไม่ร้อนไม่หนาวเป็นผู้ภาวนาอยู่โดยอํานาจคุณพระพุทธเจ้านั่นย่อมมาปกปักรักษาบุคคลผู้นั่นให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดชั่วชีวิตของตนที่ได้เกิดมาในโลกนี้ อำนาจของพระเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้านั่นแหละหากมาปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นไม่ให้มีภัยอันตรายทั้งกายทั้งจิตทั้งใจก็อบอุ่นกายคือความประพฤติการกระทำก็เป็นไปในธรานองทรองธรรม เพราะผู้นั้นมีสติเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่ามราณ ง, งมีพาวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีนี้ไม่มีผู้วิเศษอันใดจะพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเลยเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสนี้เป็นหน้าที่ของตนทุกคนจะต้องประกอบการทำทำเองด้วยกาย พูดแดงด้วยวาจาคิดเองด้วยน้ำจิตเมื่อกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในศีลธรรมกรรมฐานทุกมันเวลาเลาก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายอกสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่มีจะมีแต่ความสุขกายสบายใจจะยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหน ภัยอันตรายก็ไม่มาปรากฏการแก่บุคคลผู้สร้างคำความดีนั้นท่านจังว่าบุญรักษาบุญรักษาบุคคลผู้นั้นให้แคล้วคลาดจากภายัยิติ